กิเลสไอตัวเนี่ยจะแย่อยู่แล้วจะตายเพราะกิเลสตัวเนี้ยมันอัดเราซ้ายขวาติดกําแพง <c oughs> นะโอ้โหเราจะแย่อยู่แล้วกับไอ้เรื่องเนี้ยเอาสมมติยกตัวอย่างนะเม่อกี้รูรั่วสามรูเนี่ยเปรียบเหมือนกับอาจมาเคยเปรียบให้ฟังเปรียบเหมือนกับราคะโทสะมารณอน ะ, อะนะสามตัวใช่ไหมตอนเนี้ยชั่วโมงนี้ วันนี้ตัวไหนที่ร้ายร้ายที่สุดสำหรับเราสมมติว่าวันนี้นะปรากฏว่าโอ้โหวันนี้รู้สึกโทสะโทสะเนี่รูใหญ่ที่สุดอ่ากามระดับกลางมานะวันนี้น้อยหน่อยวันนี้ดูเล็กอ่าเพราะว้นวันนี้ไอ้ตัวโกรธเนี่ยหนักหน่วงที่สุดรุนแรงที่สุดมันจะเอาเราตายอยู่แล้วเนี่ย วันเนี้ยโหควันขึ้นหัวแล้วนะแย่แล้วเพราะฉะนั้นเน่ยวันเนี้ยต้องดับไฟโทรศัตรงนี้ให้ได้แก้ตรงนี้ให้ได้วันนี้ส่วนไอตัวอีกสองตัวที่มันเล็กลงไปหน่อยก็อาจจะไว้ก่อนก็ได้แต่ต้องรีบจัดการตัวใหญ่ที่ก่อนเพราะวันนี้มันโกรจนกระทั่งหน้าดําหน้าแดงหน้าเขียวหน้าเหลืองจะไปอัดชอจะไปเล่นงานเขาหรือจะไปด่ากับเขาแล้วอะ มันต้องดับไฟตรงนี้ให้ได้ก่อนไฟโทรศัพทเราะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยเออลุ้ว่าเอ้ยไอ้ตรงนี้ก่อนต้องรีบจัดการไม่ใช่พอวันนี้เนี่ยโงโกรธนะกแค้นหงุดหงิดอึดอัดลำคาญกุ้มใจเพราะเรื่องนี้อยู่เปรากฏว่าเรื่องอื่นนี่เราเอาไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นแล้วก็เอาโทรศัพทนี้ไปติดไปด้วยนะ เผลอๆนะ่ะไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นนะเอาโทรศัพท์นี่ติดไปก็โน่นไปทะเลาะกับคนอื่นเขาอีกเพราะฉะนั้นนะ่ะตัวนี้เกิดแล้วตัวนี้กําลังเล่นงานเราต้องจัดการไอ้อะไรเขาเรียกหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรใหญ่ตัวนี้ต้องรีบจัดการมันให้ได้เพราะคือไม่รีบจัดการหัวหน้าโจรใหญ่นี่เดี๋ยวมันหาพรรคพวกหาสมุนมาเล่นงานเราอีกตาย ไม่มันไม่เท่ากันไงก็บอกแล้วว่าบางทีวันนี้โอ้โหหงุดหงิดลำคาญโทรสาขึ้นเยอะเลยวันนี้ก็เป็นโทรสาเป็นศักระยะแต่บางทีเนี่ยหลายวันเลยอะบางทีพรุ่งนี้โอ้เมื่อวานนี้ไอ้นั่นไปละมันมันเต็มที่ไปละจบไปละโทรส่งโทรสาอะไรสมมุติว่า ม, มันมันมันสู้กันไปจนกระทั่งเรียกว่าระดับนึงแล้วพอวันนี้อ้าวไม่แน่วันนี้อาจจะไม่ใช่โทสะแล้วนะวันนี้อาจจะเป็นเรียกว่ากามก็ได้นะซุเมื่อวานที่สู้เยอะวันนี้หิวเลยป <c oughs> ากโกดว่าวันนี้นะไม่โกด้ใครนะแต่โอ้โหเรียกร้องอยากจะให้ใครก็มาช่วยเราใครก็มารักเรา เจออะไรก็อยากจะกินอะไรอร่อยอร่อยนี่ น, น, นี่วันนี้โอ้โหกามมาหนักเลยวันนี้กามมาหนักเลยไม่ไปโกรธไม่ไปเกลียดใครแล้ววันนี้หมดแรงเกลียดแต่วันนี้นี่โอ้โหอยากจะรับเพียงอย่างเดียวนะอยากจะเอามามีอะไรอร่อยๆเอามากินได้ไปเที่ยวเตะอะไรที่ไหนเอาไปให้มันสะใจเลยเพราะวันนี้คุณต้องมาสู้กับตัวนี้แหละ ตัวนี้เป็นสากยะใหญ่ละโทสะกลายเป็นตัวเล็กลงไปแล้วครับวันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูเอาว่าตอนนี้ขนาดนี้เจออะไรล่ะที่เป็นสากยะคุณถ้าใครทำได้ถูกต้องอย่างเนี้ยท่านก็ถึงจะบอกว่าผู้นั้นย่อมไม่พลาดจากความสุขและย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังพึงทาอย่างใดพึงพูดอย่างนั้น ไม่พึงทำอย่างใดไม่พึงพูดอย่างนั้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมกำหนดตัรู้ว่าผู้ไม่ทำมีแต่พูดนั้นมีมาก <c oughs> คืออั น, นี่ท่านบอกว่าคนที่ไม่ค่อยจะทำเนี่ยนะดีแต่พูดอะ่ะคนที่ดีแต่พูดอะ่ะเยอะพูดดีพูดดีก็เยอะดีแต่พูดก็เยอะ <c oughs> แต่คนทำเนี่ยน้อย เ, ออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าพูดง่ายปัญหาจะแก้ได้เนี่ยแค่พูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำเหมือนกับที่อาจมาก็มาสรุปพูดให้พวกเราฟังอยู่อะ่ะที่หลังๆเนี่ยการปลุกเสกอะไรพ่อท่านก็พูดอยู่ว่าอย่าเอาแต่คิดให้ผักงาม อย่าเอาแต่พูดให้ผักงามจงลงมือปลูกให้ผักงาม <c oughs> คือมันต้องลงมือต้องทําทําเท่านั้นแ่ะลงมือจริงๆไปปลูกจริงๆนะ่ะผักมันถึงจะ ง, งามถ้าเอาแต่คิดหรือเอาแต่พูดผักมันไม่งามหรอกคือไม่มีผักให้กินเน่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นมันต้องลงมือกระทํานิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว เป็นสุขดีจริงหนอไม่มีความโศกปราศจากกิเลสทุรีปลอดโปรง่งเป็นที่ดับทุก์ได้นะอันนี้ท่านก็พูดสรุปจบนะว่าในที่สุดเนี่ยถ้าทำได้จริงเนี่ยมันก็จะไปถึงนิพพานได้จริงๆนะซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะพวกเราก็จะยินบ่อยนะเรื่องนิพพานอย่างนั้นเรื่องนิพพานอย่างนี้ แต่เอาเข้าจริงๆแล้วบางทีทําหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยสําคัญจริงๆเลยทําหรือเปล่าความรู้บางทีพอมีแล้วพวกเราพอมีความรู้แต่พอพอพอถึงเวลาทําจริงๆบางทีเราไม่ค่อยใจทําแค่ทำใจเนี่ยบางทียังไม่ค่อยใจทําเลยอย่าอย่าพูดถึงทําปากเลยแค่ทําใจเนี่ยบางคนเนี่ย รู้แล้วนะเพราะว่าปฏิบัติธรรมสายอาโศกเราเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจพอจับได้แล้วรู้แล้วนะจับอารมณ์จับความรู้สึกจับจิตได้แต่พอจับได้เสร็จคุณทําใจไหมยอย่างเช่นอึดอาจขาดเครื่องไม่ชอบใจลาคาญขึ้นมาเนี่ยคุณปรับหรือเปล่าล่ะคุณทําใจเนี่ยคือคุณปรับใจไหมเพราะเรารู้อยู่แล้วอึอาดขาดเครื่องก็ไม่ดีมันก็ทุกข์อะ มันก็ทรมานเราอ่ะไม่ใช่ทรมานใครก็พอรู้แล้วก็ปรับสิทําไมจะมาทรมานตัวเองอยู่ทําไมก็ปรับวิธีทําใจหรือวิธีปรับใจก็คืออะไรทํำยังไงเนี่ยจะทําใจหรือจะปรับใจแล้วตอนนี้เอาใช้วิธีไหนอ่ากูจะใช้วิปัสสนาก็ได้นเนี่ยเนี่ยเป็นวิธีทําใจแล้วิวปัสสนาไปสิสมมติว่า โกรธอยู่อย่างเงี้ยไม่ชอบใจอยู่แล้วก็พิจารณาอ้าวให้อภัยได้ไหมเออนี่ก็แหมกินข้าวมอเดียวก็มาตั้งกี่ปีแล้วรวมทุกรวมสู่ก็มาตั้งเนิ่นนานเออเขามีอะไรดีบ้างใช่ไหมบางครั้งเราก็เออเราก็ยังทําผิดพลาดกับเขาบ้างเลยอย่างนี้เขาจะพลาดกับเราบ้างทําไมจะปไปไม่ได้หรืออย่างเงี้ยเนี่ยเรื่องบีปัสนาเนี่ยเน่ยนะคือการทําใจ เนี่ยเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มปรับจิตปรับใจแล้วใครทำสาเร็จก็ไอความอึดอัดความกัดเคืงก็จะเบาลงเบาลงเบาลงก็จะหายความโกรธความเคืองอะไรก็จะลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยนี่ยคือการปรับใจหรือการทำใจถ้าคุณปรับใจได้ทำใจได้โอุ้ณไม่ต้องห่วงเลยทำปากง่ายขึ้นเยอะเพราะปากนี่มันเป็นไง ใจก็ต้องสั่งสั่งให้พูดอย่างนั้นสั่งให้พูดอย่างนี้เพราะถ้าเราทําใจได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็สั่งปากได้เพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้องเริ่มตั้งแต่ทําใจนี่เลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันชอบปล่อยใจมันไม่ชอบทําหรอกมันชอบปล่อยวันพอเวลาเนี่ยรู้นะโกรธและไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วปล่อยเลยปล่อยก็คือโกรธ โกยก็อยากว่าก็ว่าเขาไปเลยเออไม่ชอบใจตรงไหนก็ก็ใส่เขาไปเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือปล่อยใจไปตามอารมณ์อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจล้วก็ใส่ไปเลยเพราะนั้นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เลยมันจะมันเลยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะนั้นจิตของคนนั้นก็ก็ทุกข์ก็กุ้มอะไรอยู่เหมือนเดิมอเผลอๆจะจะหนักกว่าเดิมด้วยเพราะว่ายิ่งใส่ไปมากเท่าไหร่ ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์เท่าไหร่โอ้กิเลสตัวนี้มันก็ยิ่งหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเพราะนคนที่จะจะดัดเนี่ยดัดจิตของตัวเองได้เหมือนกับช่างสอนดัดลูกศรเนี่ยก็ต้องหัดดัดใจของเราเนี่ยให้ได้คืออย่าไปยอมมันอย่าไปปล่อยมันตามใจเนี่ยสํานวนก็ถึงบอกว่าอย่าปล่อยไปตามใจมันบางทีเราต้องดัดใจเรา บางทีมันจะเอาอย่างนั้นเนี<_<_ yeah. ่ยโอออย่าก็อย่างนั<_<_<_><_<__<_้นมันไม่ดีนี่ก็อย่าไปเอานี่อย่าไปทํางั้นสิเอาอย่างนี้สิเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้บางทีก็ต้องฝืนก็จะบังคับต้องสู้กับมันเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําอย่างเงี้ยจนเรียกว่าเออจิตใจเรามันก็ค่อยๆปรับได้ค่อยๆปรับได้ค่อยๆปรับได้นะแล้วมันมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะอาจจะจากเรื่องเนี้ยพระหารีตะ เทระเนี่ยเราก็จะจะเห็นได้ว่าจริงๆโอ้โหคนที่คุ้นเคยแล้วก็ติดโดยเฉพาะที่ท่านติดเรื่องของการพูดเนี่ยติดจริงๆนะใครติดอาตมายังเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าอาตมาก็เคยติดพูดคำหยาบแล้วนะพูดคําหยาบแบบสมัยเป็นคารวาสพูดคําหยาบกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยโอ้พูดบ่อยกับพ่อแม่พี่น้องอะไรไม่ค่อยพูดหรอกนะ แต่กับเพื่อนฝูงที่พูดบ่อยมากเลยแล้วมันติดจริงๆยิ่งเป็นเพื่อนกันนี่โอ้ยมันถึงไหนถึงกันพันําว่าไอ้เฮียไอ้่ามึงกนูนี่โอ้ยธรรมดามากพูดพูดเหมือนกับเหมือนกับคนกินน้าําเปล่าอ่ะคื อ, ค, อคือมันไม่มีอะไรนี่มันก็มันก็เพื่อนกันน่ะมันจะเป็นอะไรไปแล้วแล้วแปลกนะมันรู้สึกสนิทดีด้วยนะ ใช้ภาษาแบบเนี้ยมันรู้สึกเออมันถึงถึงมันรู้สึกว่าสนิทสนมกันดีคือไปพูด พ, พราะเระโอ้ยหน้ามันไสเอาเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไปพูดพราๆเนี่ยนะรู้สึกไม่อยากครบรู้สึกว่ามันเอ้ยไอย้นี่มันคนละคนละเรื่องกับเราเราเบิ่งถ้าอย่างนี้แต่ก่อนรู้สึกอย่างนั้นเน่ยมันถึงได้ติดจนต่อหลังรู้ตัวถึงได้โอ้ไม่ไหวเบิ่ง มันก็ยังเป็นคําไม่สุภาพอ่ะก็เลยพยายามเว้นเว้นซะเว้นเว้นไอ้คำพวกนี้ก็พยายามหัดเลิกเลิกเลิ ก, ลกนานอยู่บ้างกันเน่ยกว่าจะเลิกได้ไม่ง่ายนะอาตมาเอาจริงนะคือตั้งใจจะเลิกก็แปลกนะไม่รู้มันนึกยังไงไคิดว่ามันต้องเลิกให้ได้ตั้งใจอาตมาถึงบอกว่าพอมันพลาดไปมันพลาดไ ป, ม, ดไปมันเผลอ คุยกับเพื่อนเนี่ยมันเผลออยู่เรื่อยเลยเผลอบึงบึงกูกูเผลอไอเหี้ยไอหาออกไปเรื่อยออจริงจริงบางทีเนี่ยมันกลุ่มกลุมนะมันพูดแล้วมันแหมมันดีก็เลยตอนหลังเนี่ยเออย่างไงนะมันมันรู้สึกมันแก้ไม่ง่ายอ่ะมันมันแก้ยากตอนหลังเลยลงโทษมันแง เลยหาวิธีลงโทษที่บอกว่าพอพูดใส่ตบปากแต่ตบที่หลังนะหลังจากคุยกับเขาเสร็จไปแล้วเนี่ยเราเราเราจำได้แล้วเราเราลึกไว้เนี่ยเี่เห็นไหมเม่อกี้นี่พูดนี่หลุดออกไปอีกแล้วหลุดออกไปอีกล้พอพอเลิกคุยกับเขาไปแล้วเนี่ยต้องต้อ ง, อ ง, อ ง, องไปซุ่มๆหน่อยนะไปออยู่ในห้องไม่มีใครนะเราก็ตบปากตัวเองไม่ไ ม, ไม่ไม่กล้าตบให้คนอื่นเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตกใจ ต้องไปแอบอยู่ในห้องคนเดีย ว, วก็ตบปากตบเพีย้ยเพีย้ยเพี้ยเลยนะโอตบแรงๆเลยอ่ะไม่ตบเบาๆหรอกแรงเลยตบเนี่ยเคยไปดูกระจกโอ้โหแดงเลแดงเลยแก้มที่ตบเนี่ยเสรจตะหลังเนี่ยก็บอกแล้วคือคนเราเนี่ยมันกิเลสเนี่มันฉลาดยี่งเคยเล่าให้พวกเราฟังอะ่ะตบเสร็จตบเสร็จตอนแรกก็ตบข้างเดียวไง ตกเสร็จจะหลังมันชักจะตามมือไอ้ไอ้ไอ้ไอ้หน้าเรามันชักจะหันตามมือมันฉลาด <c oughs> เลยไปๆมาๆก็เลยแหมไอ้นี<ๆ>่น<ๆ>ี<ๆ>่นี่หน้าเรามันชักจะเฉโกลเลยนะมันชักจะหนีหนีตามแรงมือไงจะได้ลดเบาลง <c oughs> แต่หลังก็เลยเอาสองมือเลยไงตบพร้อมๆกันตบพร้อมๆกันให้มันหนีไม่ได้โอ้ทำอย่างเงี้ยจริงๆการทามาจริงๆโอ้ตบเลยยิง่งวันไหนรู้สึก แม่ผิดเยอะเหลือเกินเลยวันนี้ตบสองมือตบไม่หยุดเลยนะตบไม่หยุดเลยตบไม่นับอะ่ะเ อ, อวันไหนได้น้อ ย, นอยหน่อยก็เ อ, อเอาสักสามทีแต่วันนี้โอ้โหผิดเยอะจังเลยตบตบแบบไม่ยั้งอ่ะตบแบบไม่ไม่ไม่นับจํานวนเลยตตจนเรียกว่าสุดสุดสุดใจเราอะ่ะแล้วก็หยุดโอ้โหน้าชาเลยบางที นี่ไม่ได้พูดเล่นๆนะเนี่ยพูดเรื่องจริงๆให้ฟังเรื่องพวกนี้คุณรู้ไหมยอมที่บ้านแตมาเขาไม่รู้เรื่องมันหรอกมันมาไม่เคยไปพูดไม่เคยไปเล่าอะไรให้ใครฟังเลยเนี่แหละมาปริบัติทมแล้วก็เออก็นึกขึ้นได้ก็เล่าให้พวกคุณฟังทั้งๆที่ช่วงนั้นน่ะที่อาตมาตบตบปากตัวเองเนี่ยตอนแรกๆใหม่ๆตบงี้ตบตบตบตรงๆงี้ตบตรงๆยุทธึก โอโหมันมันจะแตกเอาปากมันจะแตกเนาอรู้สึกเอออันตรายเกินไปตบอย่างนี้เลยเลยเลยไม่เอาเลยหามาตบแก้ม่ยหามาตบแก้มตอนแรกตบอย่างนี้จริงจริงโอ้โหเจอเลยเจอได้ปากไอมันมันจะแตกเอาะรู้สึกเออย่างนี้อันตรายไม่เอามาเลยไปไปตบแก้ม นะเพราะฉะนั้นอาตมาถึงอยากจะบอกพวกเราว่าขนาดตอนนั้นอาตมาว่ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะแต่เนี่ยมันอาจจะเป็นว่าเรามีเชื่อพวกนี้อยู่แล้วก็เป็นคนที่บางทีคิดจะทำอะไรแล้วก็ก็พยายามตั้งใจพยายามจะแก้ให้ได้มีตัวนี้อยู่อาตมามีตัวอดทนที่จะพยายามแก้ให้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออก็ค่อยๆได้ผลมาค่อยๆได้ผลมาก็เลิกได้แต่หลังก็เลิกได้ ไม่มีเลยหลังๆนี่ไม่หลุดอะเพราะว่ามันมันมันพอมันแก้มาได้แล้วเนี่ยคุณยังไงก็ไม่หลุดไม่หลุดหรอกยังยังยังยังนึกเลยวาทุกวันนี้วะโอ้แทบจะไม่ไม่มีคำพูดพวกนี้แฝงปนอะไรออกมาเลยไม่มีเลยนอกจากว่าบางทีเราพูดในใน เอเรื่องหรือในอะไรนะที่เขามีคําพวกนี้อยู่เราก็เอาว่าพูดอย่างเขาพูดแต่ว่าเราคุยกับใครเนี่ยคําพวกนี้ไม่มีหลุดออกมาเลยเออมันมันมันมันม น, น่าน่าแปลกทีเหมือนกันเนี่ยพอเราฝึกแล้วเราทําได้แล้วนี่ถ้าคุณทําได้จริงๆแล้วเนี่ยมันได้เลยอ่ะมันจะไม่หวนกลับมาเลยถ้าคุณได้จริงๆนะเอาวันนี้ก็ฝากประเด็นพวกนี้ไว้แล้วกัน นะเราเองเราจะได้เอาไปเป็นบางทีไปเป็นแง่คิดเป็นในแง่ปฏิบัติโดยเฉพาะวันเนี้ยเรื่องไหนที่เป็นกิเลสสักยะของเราก็อยากที่จะให้ไปดูตัวเนี้ยแล้วก็ปรับแก้ตัวนี้ให้ได้ต้องตั้งใจจริงๆกิเลสตัวสักยะเนี่ยถ้าคุณไม่ตั้งใจคุณไม่เอาจริงคุณไม่อดทนพอคุณไม่มีทางแก้ได้ เกิเลสสักยะนี่มันเป็นกิเลสที่เราเอาชนะยากยากที่สุดเราถึงเรียกว่ามันมันเป็นสักระยะคือมันเป็นกิเลสตัวใหญ่นะสักรยะเนี่ยโหใหญ่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นคุณจะแก้มันนี่คุณยากที่สุดจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นหวังว่ า, เ, าเราได้ฟังประวัติของพระเถระพระอาหารหันต นะท่านกว่าจะได้มาท่านก็ต้องยากลำบากหลายสิ่งหลายอย่างไม่มีใครได้มาฟรีๆนั่น เ, เราเองเนี่ยเราอยากจะรู้อะไรได้ถูกต้องชัดเจนเป็นสัจธรรมมากขึ้นจริงๆเนี่ยจะรู้ได้ดีที่สุดก็รู้ได้ด้วยตัวเองนะถ้านะมันจะรู้ด้วยตัวเองจริงๆถ้าคุณปฏิบัติไปถูกต้องชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันรู้ด้วยตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆส่วนที่เราฟังครูบาอาจารย์สอนเนี่ย นะเราก็จะจำมาไวา้เราจะจาไว้แตเ่เรายังไม่รู้จริงหรอกจนกระทั่งพอเราไปถึงจุดนั้นๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะโอ้โหชัดขึ้นเรื่อยชัดขึ้นเรื่อยชัดขึ้นเรื่อยมันก็จะยิ่งทำให้ไวขึ้นนะถ้าทั้งเราศึกษาด้วยแล้วเราปฏิบัติด้วยนะเราจะเรียนรู้ได้ไวเราก็จะเข้าถึงสัจธรรมได้เร็ววันนี้คงฝากไว้ที่นี้นะ ว่าตายหานี่คำหยาบหรือเปล่าะเอาต้องถามก่อนว่าคุณว่าคำหยาบไหมออเป็นคำอุทานต่เท็นตกใตถุนอะไรพวกนี้เหรอเป็นคำอุทานเอะอ้าวคำว่าตายหาเนี่ยใครว่าคำหยาบบ้างยกมือไหนใครว่าคำหยาบจะดูทีใครว่าคำหยา บ, บายอ่ๆเอาตอนนี้ใครว่า ใครว่าเป็นแค่คําอุทานเท่านั้นเองเอา่ายกมื อ, อมีประมาณสักสามสี่คนมีน้อยกว่าเจตนานะก็ด้วยแต่จะต้องมารวมลงด้วยว่าภาษานี้โดยโด ย, โดยเขาเรียกว่าอะไรอะค่านิยมหรือว่าโดยโดยองรวมเนี่ยเขาถือว่าหยาบไหมล่ะ ถ้าถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกเขาถือว่าหยาบเพราะนั้นต้องยอมรับว่าคำนี้คือคำหยาบส่วนข้อแม้อย่างอื่นนะที่บางทีพ่อท่านก็เทศว่าอาเพื่อนกันสนิทกันจะพูดไอ้เหียไอ้หามึงกูอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วบอกว่าอย่างนี้ไม่หยาบอ่าอย่างนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอ น, นั้นก็อีกประเด็นหนึ่งละอ่าอันนั้น ผู้ส่วนตัวผู้อะไรแต่อันนี้เราพูดอย่างแง่ที่เรียกว่าอ้าวถ้าโดยสาธารณะถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคุณไปพูดอย่างนี้เขาก็ถือว่าหยาบแน่นอนจะไม่ถือว่าไม่หยาบไม่ได้สว่วนไอ้กรณีพิเศษอันนั้นเราต้องยกไว้อันนั้นถือว่าอนุโลมะนะเพราะฉะนั้นศีลอะไรอย่างตางก็จะมีบทอนุโลมอยู่ด้วยแต่เราต้องรู้ว่าเนี่ยอนุโลมอะไรบ้าง มันแม้ว่าบางอย่างถึงบอกว่าเราไม่จะเจตนาหรอกนะที่จะไปด่าไปอะไรแต่พอคุณพูดออกไปเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาว่าหยาบอะก็คํานี้คุณหยาบอะคุณพูดอย่างเงี้ยแม้ว่าเราไม่จะเจตนาด่าแต่ว่าเนี่ยเป็นคําหยาบแล้วพูดไปแล้วคนเขาไม่ชอบใจแล้วโลกาวัชชาเขาถือสาอา้าวอย่างเงี้ยต้องยอมรับว่า นี้คือภาษาที่เป็นคำหยาบก็ถือว่าผิด อ, อก็จะต้องแยกที่ตรงนั้นด้วยแม้แต่คราวนี้ถ้าเป็นพ่อท่านเอาลึกขึ้นนะคราวนี้เอาลึกขึ้นคำหยาบก็เอาตรงคราวนี้เอาตรงเนื้อหาด้วยละเอาตรงความหมายด้วยละบางทีเนี่ยเป็นคำไพเราะแอบเป็นอะไรอ่ะเพราะพริ้งเลยนะภาษาเพราะพริพร้งเลยแต่คราวนี้ พูดด้วยเจตนาร้ายพูดด้วยเจตนาไม่ดีหรือพูดทะลึ่งลามกเนี่ยแต่ภาษามันไพเราะนะแม้แต่งเป็นกรอนเลยนะแต่งเป็นกรอนแต่งเป็นเพลงโอ้โหภาษาไพเราะเลยแต่เจตนาลามกอะ่ะเจตนาไม่ดีแล้วอะอย่างเงี้ยคราวนี้สูงขึ้นลึกขึ้นบอกแล้วอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าเงี่ยคาหยาบนะ เออต้องเข้าใจคำว่าสอเสียกับคาว่าเสียดสีใช่ไหมต้องเข้าใจให้ดีนะพูดเสียดสีคนอื่นเขาเอานี่ความหมายอย่างหนึง่งเสียดสีเป็นยังไงพูดเสียดสีเขาพูดกระทบเขาพูดเนี่ยให้เขาเจ็บมัางพูดเน็บแน่มั้งพูดอะไรมั่งอย่างนี้เขาเรียกว่า เสียดสีแต่ถ้าสอเสียดเป็นไงสอเสียดผู้ชายคนเขาเข้าใจผิดกันอาจจะพูดเพราะก็ได้เพราะฉะนั้นอมาเนี่ยยังพูดบ่อยอยู่นะประเด็นเนี้ยว่าสอเสียดเนี่ยหมายถึงว่าพูดให้เขาเข้าใจผิดกันให้เขาแตกสามากีกันต่อให้คําพูดนั้นจริงด้วยถูกต้องด้วย ที่อาตมาเคยยกตัวอย่างว่าสึว่าคนไม่ชอบกันอยู่สองฝ่ายเงี้ยในกอกับในขอเงี้ยใช่มเขาไม่ถูกใจกันเสร็จแล้วเราก็เอาเรื่องของของนนกอเนี่ยมาพูดให้ในขอฟังโดยที่เราชมในในในกอใหญ่เลยนะโอ้ในก อ, นะ อ, นกอดีอย่างงั้นดีอย่างนี้นดีจริง ๆ, ๆ, ด, ๆ, ด, ๆด้วยเขาเกิดไปทำดีมาเงี้ยไม่ใช่ดีทอกนะก็ไปทำดีมาจริงๆอ่า เสร็จแล้วเขาก็เลยมาบอกให้ในายขอฟังแต่จริงๆเนี่ยนายกับนายขอเป็นไงไม่ชอบกันอยู่คนนี้รู้นะเสร็จแล้วคนนี้ก็มาพูดให้ในายขอฟังผูนะ้ชมนายก อ, อย่าเลยนะเป็นยังไงนาะยขอฟังไปแล้วโหก็ยิ่งไม่ชอบยิ่งเกลียดชังยิ่งแตกสามาคัครคียิ่งอยากจะเล่นงานนายก อ, อย่าเลยเนี่ยเขาเรียกว่าส่อเสียด ดน้นที่คำพูดนั้นก็ถูกต้องไม่ได้หยาบคายไม่ได้ผิดอะไรด้วยแต่เห็นไหมจะภาษานะ่ะไม่หยาบแต่เจตนาเ จ, เจตนาหยาบแล้วพูดก็เพื่อที่จะให้เขาเข้าใจผิดให้เขาทะเลาะกันอย่างนี้เขาเรียกว่าส่อเสียดแม้ว่าบางครั้งเราไม่เจตนาก็ตามนะแต่บางทีเรานึกไม่ถึงใช่ไหม เราพูดไปแล้วก็โอ้โหทำให้คนเขาทะเลาะกันก็ได้นะอันนี้แม้ว่าคุณไม่ผิดศีลแต่คุณมีวิบากกรรมนะว่าบางทีคนที่ก็บอกกันเนี่ยคนนั้นนมาบอกเราอย่างงี้ อ, อ๋อเราก็โอ้โหเยอะแยะเลยไม่ชอบใจคนนั้นขึ้นมาทันทีอาตมาอยากจะบอกอย่างว่าเนี่ยจริงๆข้อสอสเสียดี่นะผิดกันก็เยอะมากแต่ไม่รู้ตัวเท่านั้เองคือคนทํามันไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวว่าทําผิดเราเลยไปเลือกแก่ข้ออื่นๆนะเลือกเพ้อเจ้อเลือกอะไรต่ออะไรบางทีบางคนเนี่ยวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยจะเพ้อเจ้ออะไรหรอกใช่ไหมแต่อย่างว่าถ้าเราเอาองค์รวมมันก็เอส่วนใหญ่ก็เพ้อเจ้อเยอะแต่จริงๆถ้าเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วเพ้อเจ้อจะน้อยลงเพ้อเจ้อจะน้อยลงแต่ซอเสียนนี่แหละจะมากขึ้นโดยไม่เจตนา ไม่ใช่เจตนานะแต่โดยไม่เจตนายิ่งโดยเฉพาะหมู่กลุ่มเราเนี่ยเราจะมีการตำหนิหรือว่ามีการที่คุ้มทรา์มีอะไรแต่บางทีเนี่ยเราไม่ไปบอกกับเจ้าตัวเขาอะเราไปบอกกับคนโน้นคนนี้คือคือไปพูดให้คนอื่นเขาฟังแต่การพูดของเราเนี่ยบางทีเราพูดไปแล้วมันมันทาให้คนอื่นเขายิ่งเข้าใจผิดกันนะ เพราะ่านี้ต้องระวังวันเวลาพูดความไม่ดีของใครเขาพระเจ้าถึงสอนไปเลยว่าพูดให้น้อยหน่อยพูดความไม่ดีของใครถ้าพูดความไม่ดีของเราพูดมากมากหน่อยแต่ถ้าพูดความดีของคนอื่นพูดมากมากหน่อยถ้าพูดถึงความดีของคนอื่นแต่ถ้าพูดถึงความดีของเรา พูดน้อยๆหน่อ ย, อ ย, อยไม่ต้องพูดมากหรอกไม่พูดก็ได้เอออ่อนระวังไออันเนี้ยเ น, นี่ยอธิศีลของหลักสูตรมหาสารเจนเขาถึงนะท่านหิรารถันก็นมีกําหนดขึ้นมาแปดแปดอย่างของอธิศีลของข้อที่สี่ก็บอกอย่าไปพูดความผิดของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นของตัวเองนะนเนี่ยเนี่ยก็เป็นหลักการที่พระเจ้าเนี่ยท่านแนะท่านสอนมา แล้วเราก็เนี่ยท่านก็เอามาปรับเข้าไปอยู่ในหลักสูตรมาสัจจรนร์